วันนี้หลวงพ่อเห็นคณะทศไทยญาติโยมามาจากอุดรจากเทศบาลเมืองหนองสำโรงจังหวัดอุดรธานีนําโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรงจํานวน450ท่านหลวงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นทาง จ, จิตใจทางด้าน จ, จิตใจเพราะว่าเห็นคณะทศไยญาติโยม ได้รวมกลุ่มถึงขนาดนี้ได้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิริเป็นมงคลเพราะว่าถ้าว่าพวกเราไม่ช่วยกันเชิดชูบูชาพระพุทธศาสนาหรือว่าไม่ส่งเสริมคุณงามความดีต่อกันพระพุทธศาสนาหรือประเทศชาติบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไร แต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาสู่วัตวาศาสนาะก็คือหันหน้าต่อคุณงามความดีเพราะหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือหลักเหตุผลพูดง่ายๆคือหลักเหตุผลคือเหมือนกับกฎหมายอย่างนั้นแะคือกฎหมายคือทุกคนให้เคารพกฎหมายถ้าว่าเข้าสู่วัตวาศาสนานี่ก็คือเข้าสู่ศีลธรรมศีลธรรมจริยธรรม ศีลธรรมจริยธรรมความนี้พวกเราได้ยินก็เป็นธรรมดาธรรมดาแต่แยกแยะเป็นข้อข้อทีนี้ศีลศีลธรรมคือศีลห้าจริยธรรมคือความประพฤตนะิวิ ช, ชาคือความรู้นะจารณะคือความประพฤตนะิอย่างพวกเราเรียนอิติปิโสอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิ ช, ชากนะวิ ช, ชา ค, คือความรู้จารณะสัมปันโนสัมปันโนแปลว่าพูดเป็นทื่ พูดถึงพร้อมด้วยจรณะคือความประพฤติชุกโตเป็นผู้ไปดีโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอันนี้ก็คือวิ ช, ชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติศิลธรรมจริยธรรมเป็นของคู่กันคําว่าศิลธรรมคํานี้ที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนคณะสัทว์ทา ย, ยาทโยมพุทธบริษัทของพระองค์พุทธบริษัทสีของพระองค์พระองค์อย่าง ครวาทีญาติโยมพระพุทธองค์เน้นเรื่องศีลศีลห้าแต่พระสงฆ์ท่านเน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ญาติโยมเนี่ยท่านเน้นเรื่องทานศีลภาวนาทานคือพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากต้องอาศัยการเสียสละที่อยู่ด้วยกันต้องมีฐานะคือการเสียสละคือเสียสละคํานี้คือการให้ทาน อย่างพ่อแม่ของพวกเราที่เลี้ยงลูกมาท่านก็เสียสละอันนี้แหละคือฐานะของพ่อแม่ที่ให้แก่ลูกจากนั้นเมื่อพวกเราได้รับฐานะจากพ่อแม่แล้วเราก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานศั์สาราสิงที่จะอยู่กับเราได้ยังหมูหมากาไกา่หมูเพื่อนฝูงทั้งหลายก็ต้องอาศัยฐานะคือการเสียสละการเสียสละคานี้ในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกไว้กว้างขวางคือ การใหอ้อามิสทานอามิสทานคือให้พวกเงินคําทรัพย์สมบัติข้าวน้ําโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยผ้าห น, นุ่งหม่มอันนี้เรียกว่าทานะในการเสียสละให้แก่ผู้ที่ยากไร้หรือผู้ที่ยากจนกว่าเราอันนี้คือเสียสละอันที่สองกัวิทยาทานวิทยาทานก็คือให้ความรู้แก่เขาเมื่อเขาขาดตกปกคล้อง ไม่สามารถที่จะรู้วิชาอาชีพที่เขาจะหาเลี้ยงชีพเขาได้แล้วก็ต้องให้วิทยาทานคือแนะนำสั่งสอนเขาอย่างไงเขาจึงจะไปรอดชีวิตของเขาจะร่มเย็นเป็นจุกได้แล้วก็เมตตาให้วิทยาทานอันนี้ก็เป็นทานอันหนึ่งอันที่สามก็คือธรรมทานอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อหงลวงพ่อเนี่ยให้ธรรมทานคือให้แนวความคิดทาอย่างนี้ถูกนะทาอย่างนี้ผิดนะ อย่าไปทําอย่างนั้นนะอันนั้นคือสิ่งที่ควรคิดควรพูดควรทําอย่างไรอันนี้ก็คือแนะนําสั่งสอนให้รู้จักทางดีและทางชั่วอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้แหละว่าธรรมทานอาภัยทานก็คือถ้าว่าเขามาร่วงเกินเราไม่พอใจเราไม่พอใจแต่ว่าเราเห็นว่าเออควรจะให้อภัยซึ่งกันละกันถ้าว่าจองร่างจองผานผูก พยาบาทอาฆาตจองเวรกันก็นเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษผันธนาการมีเธจองกรรมจองเวรต่อกันไม่ต่อกันไม่มีที่สิ้นุดอันนี้เรียกว่าอาภัยทานนี่แหละคือมีการทานะคำนี้มีมากมายหลายอย่างนี่แหละสำหรับคารวะพระพุทธองค์ท่านบอกว่ารมของคารวะคารวาทะธรรมของคารวะสี่อย่าง สัจจะการอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะคือความจริงและจริงใจต่อกันข้อที่สองธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนข้อที่สามคติคือความอดทนข้อที่สี่จาคะให้มีการเสียสละต่อกันข้อแรกเป็นสัจจะคนที่อยู่ด้วยกันมากๆถ้าว่าขาดสัจจะไร้สัจจะพูดอย่างหนึ่งทาอย่างหนึ่งจะรับปากอย่างหนึ่งแต่ไม่ปฏิบัติอย่างที่รับปาก นันนี้แปลว่าคนไร้สัจจะคนไร้สัจจาะคบกันไม่ได้ใช่ไหมงั้นคนไม่มีสัจจะเพราะนั้นสัจจะคือความจริงและจริงใจต่อกันนี่นับว่าเป็นเบื้องแรกสําหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะข้อที่สองให้ธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนคนเราบางทีก็อารมณ์ร้อนโมโหโทโซโกทาโรธให้แกใครๆง่ายๆ่ายแต่เรา เมื่อได้ยินอะไรออกมาแล้วเราต้อง ข, มของ่มใจของเราไว้ก่อนว่าเออเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงเท็จหรือยังไงเขายุยงเราหรือเราหรือเขาแกล้งแยเราหรือย่างไงเนี่ยเราก็ต้องมีธรรมะบางทีเขากระแทกเราอย่างแรงอย่างนีเราก็ต้องข่มใจของเราไว้ก่อนฟังฟังดูซะก่อนอย่าไปโป้งป้างโพดออกไปเลยบางทีเสียเสียพ่อเสียแม่เสียครอบครัวเสียสาพีภรรยาลูกเต้าเล้าหลาน มู่พวกเพื่อนได้ง่ายๆถ้าเราขาดการอดหรือือการข่มใจของตนเองอันนี้แหละให้มีข่มใจของตนเองเอาไว้ก่อนฟังฟังด้วยความมั่นใจแล้วก็ศึกษาซะก่อนจากนั้นมีอะไรจึงค่อยตอบโต้ที่หลังเนี่ยธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนขันติคือความอดทนพวกเราต้องมีความอดทนอดกั้นที่อยู่ด้วยกันแล้วก็จา้าคะให้มีการเสียสละต่อกันพ่อแม่พี่น้อง อย่างที่หลวงพ่อได้พูดพ่อแม่เป็นผู้มีอุปกระคุณแก่เราเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของท่านอันนี้ก็คือจาคะาหลัจากนั้นก็เราก็เสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ชาติลูกหลานญาติพี่น้องของเราที่ตกทกได้ยากอันนี้คือจะฆ่าเนี่อันนี้แห ะ, นนะธรรมของคารวะที่พระพระทุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพุทธบริษัทของพระองค์จากนั้นก็เรื่องทานและก็เรื่องศีลที่นี่ศีลก็คือรักษาศีลห้า ถ้าเราพูดว่าศีลห้าเทนะั้นพวกเราคณะสัทย า, า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ยินเลยโอ้ อ, อ่อนอกก่ อ, อนใจจะรักษาศีลห้าเราจะได้อยู่ได้กินอะไรเนะี่ยอันนี้คือเราแต่คิดไว้ตามไม่จริงศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยศนะีลคือกฎหมายกฎหมายคือศีลคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันจะร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องอาศัยศีลธรรมศีลธรรมข้อนหนึ่งก็คือปานาอย่าคิดฆ่ากันนะ ถ้าเราคิดฆ่ากันคนนี้คิดฆ่าคนนั้นคนนั้นคิดฆ่าคนนี้ต่างคนคิดฆ่ากันได้จากนั้นก็ฆ่ากันจริงเนี่ยเขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาของคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรแต่เขามาฆ่าเราล่ะฆ่าวงศสาคณะญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าทรัสว่าอย่าฆ่ากันนะจะคิดฆ่ากันอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเวรมณนีสรุปแล้วก็คือเอาใจเขา มาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็ต้องเสียใจในเมื่อเขามาทําให้แก่เราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสินของพระพุทธเจ้านี่มีเหตุมีผลการที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องอาใัยใจเขามาใส่ใจเราข้อที่สองก็เหมือนกันอาทินนาทานอยา่าขโมยของคนอื่นเขานะถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็รู้สึกเสียใจถ้าเขามาขาโมยของเราล่ะขโมยพ่อแม่สามีภรรยาของเราไปเรียกค่าไถย่อย่างนี้เราเสียใจไหม เราก็เสียใจเพราะเขาขโมยของเราไม่ใช่ขโมยรถขโมยรองเท้าขโมยสิ่งของเล็กๆน้อยๆ น, นะมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการขโมยกันก็ไม่เป็นผลดีขอด้อที่สามกาเมสุพิจฉยจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครใครเคารพสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีลูกหลานญาติพี่น้องของใครของเรา แล้ใครใครก็รักสตงวนหวงแหนอันได้เลยคือสี่ข้อที่สามข้อที่สี่มุกษาวาทาเว ร, รมานีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเราละ่ะยักยอกเงินในบัญชีของเราในธนาคารของเราต้มตุ๋นเอาของเจามาบอกว่าเป็นของจริงอย่างนี้เป็นต้นเขียนเซ็กเต่งให้อย่างนี้เป็นต้นนะ เราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะนั้นการโกหกต้มตุนหลอกลวงกันก็ไม่เป็นพ้นดีให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันสรุปแล้วคือสินทั้งสี่ห้าข้อ เ, เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาให้เคารพสิทธิ์เช่นกันละกันอันนี้ขอสินมีสีข้อที่ห้าสุราเมรยพมัชพบมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าคนเรา ดื่มสุราเข้าไปแล้วคันชายาฟินเฮโรอีนของมึนเมาเข้าไปแล้วเป็นยังไงคนขาดสติคนขาดส ต, ติทําความชั่วในทุกอย่างเพราะคนขาดสติยิ่งเขามีจัตราอาวุธในมือของเขาแล้วเราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะคนเมาคนขาดสติไม่รู้จะออกมาไม้ไหนเพราะนั้นเวลาคนเมาเข้าไปแล้วเนี่ยเสียหายปีหนึ่งเท่าไหร่สงกรานปีใหม่ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนี่แหละอันนี้คือศินห้าของพระพุทธเจ้าเลยคนที่ดื่มชูลาเข้าไปแล้วขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างอีกต่างหากที่ไ้นฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้และาลาบละล้ะลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะเหตุไรเพราะคนขาดสตินะัเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าการดื่มชูรานะั้นมันขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทาความชั่ว เสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าพวกเราได้เรียนได้ศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกเรานําไปคิดนําไปพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลว่าจริงไหมที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งศินข้อที่ห้านะถ้าผู้มีอายุถึงกลางคนขึ้นไปแล้วที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วที่จะเป็นผู้นําครอบครัวนําชุมชนแล้วหลวงพ่อว่าเรื่อง สีลข้อที่ห้าข้อสุราเมรยานควรจะงดเว้นดีที่สุดนะเพราะจะจ ะ, จะทำให้เสียหายจะทำให้ตัวเองเสียหายได้ง่ายที่สุดเมื่อคนขาดจิติแล้วทำความชั่วการพูดก็ไม่ระวังการกระทำออกไปก็ไม่ระวังพอมันเสียหายไปแล้วจริงมีความรู้สึก เ, ออเสียใจก็เท่านั้นและเพราะมันมันผ่านไปแล้วนะถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อวัดเนี่ยหันหน้าต่อพระประธานเออ เมื่อได้ยินหลวงพ่ออินหลวงพ่อวัดป่านาคําน้อยได้พูดให้ฟังและสินข้อที่ห้านี่น้าจงดหน้าหันหน้าไปตอบหน้าพระประธานข้าไปเจ้าจงศรตลอดไปในศีลข้อที่ห้านี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อว่าจะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกคณะศรัทธรราญาติโยมลูกหลานนะคิดดูให้ดีนะที่หลวงพ่อพูดนะมันเสียหายจริงๆอันนี้แหละคือศีลธรรมของพระพทุทธเจ้าจริยธรรมก็คือความประพฤตินะ ความประพฤติก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอย่าไปทําในสิ่งที่มันจะเดือดร้อนเพ่นเพื่อเราไปทําให้แก่เขาเขาก็เดือดร้อนเขามาทําให้แก่เราเราก็เดือดร้อนนี่แหละศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ใกล้ๆเราเนี่แหละนี่อันนี้ก็คือหลักศีลธรรมจากนั้นคือความความประพฤติคือความในใจที่นี่ในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนว่าคนเราเกิดมาแล้ว ตายแล้วไม่สูญ น, นะพระพุทธเจ้าสอนไว้ไหมนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะเราตถาคตไดไปวิเคราะห์ดูแล้วเนะี่ยวันที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้คือวันเดือนหกเพนวันเดือนหกเพนเนี่ยวันวิสาขาบูชานะ่ยพระพุทธเจ้าได้ตัดสรธรรมในวันนั้นทั้งประสูติด้วยตัดสรุรรมด้วยป ร, ปรินิพานด้วยในวันเดียวกันท่านไปได้ตัดสรธรรมที่โคลนต้นโพที่พุทธคยานะ่ยท่านนั่งสมาธิ พระพุทธพระพุทธเจ้าของเรานะในวันนั้นนะเมื่อสองพันกว่าปีทนะ่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกยังไม่ค่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นจิตของพระองค์จิตของสิทธัตถะของพระพุทธเจ้าของเรานะรวมสงบลงเป็นหนึ่งนะ จิตรวมลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานพอเกิดญาทัศนะแล้วพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้น้อมจิตระลึกถึงถึงชาติโผลหลังว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรชาติที่แล้วท่านว่าท่านอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต ท, ที่ลงมาเกิดเป็นสิท ธ, ธาเนี่ยมาจากชั้นดุสิตเลยจากนั้นไปที่ไหนเป็นพระเวทสันดรเกิดมาจากพระเวทสันดรขึ้นไปอยู่สันโชวันแล้วลงมาเกิดที่ไหน ท่านเขไล่เลียงไปเรื่อยถึงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาตินี่แหละพระพุทธองค์รละลึกชาติทวนหลังได้ถ้าาตายแล้วสูตรละ่ะพระองค์จะระลึกชาติทวนหลังได้ไหมระลึกไม่ได้เพราะตายแล้วสูตรเลยอันนี้พระองค์ระลึกชาติทวนหลังได้เพราะตายแล้วไม่สูญในหลักของพระพุทธศาสนาท่านยืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะถ้านับถือหรือเชื่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องคิดว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ถ้าว่าพวกเราอยากจะรู้อย่างที่พุทธเจ้ารู้เนี่ยเรานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายอย่างที่ว่านะทำกายให้ตรงไม่ต้องคิดในอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดถึงวันพุ่งนี้มะลือ น, นี่ให้ใจอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยจะกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้หรือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้บริกรรมพุทธโทพุทโทนี่หลวงปู่มั่นท่านสอนพวกเรานะ่ยให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธ จากนั้นจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งพอรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเลยไม่ต้องเชื่อคําของผู้เรยเจ้าเชื่อด้วยตนเองเลยร่างกายกับใจเนี่อาศัยกันอยู่ร่างกายเนี่ยเป็นสองทีนีเราจะรู้ได้โดยตนเองเลยร่างกายของเราเนี่ยมีสองคือรูปประทรับรูปประทรับคือร่างกายนามธรรมนั้นคือจิตใจคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวรู้รอย่างนีน้แต่พวกเราว่าสมองใช่สมอง ก, ก็ใช่ แต่ว่าใจมันไปใช้สมองสมองของเราเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ลดราคาแพงๆเนี่ยมันมีมีสมองคนทุกวันเนี่ยพอเราจัตาร์เครื่องตับสมองคนมันก็บอกเลยเอามันก็บอกขึ้นมาเลยกดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาบางทีมันรู้จักบอกกันทั้งว่ายางซ้ายอ่อนยางขวาแข็งลักษณะอย่างงั้นอ่ะมันจะบอกหมดตาข้างนั้นไม่ดีตาข้างนั้นเสียงไฟท้ายไฟ น้ามันเสียยังไงมันจะบอกหมดเพราะอะไรเพราะสมองคนมันบอกอันนี้ก็เหมือนกันสมองของเราเนี่ยพอใจของเรามาอยู่ในสมองมาใช้สมองสมองก็ต้องคิดนะเนี่แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่สมองนะใจใจมาใช้สมองอีกทีหนึงเหมือนกับพวกเราไปใช้คอมพิวเตอร์น่นคอมพิวเตอร์ถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรถ้าคนไปกดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ทํางานนะพอทํางานนําก็จะรู้จากเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาบอกเราเพราะมันความจํามาอยู่ทิศ ูที่คอมพิวเตอร์นั้นนี่แหละพระพุทธองค์รู้เลยว่าถ้าจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้โดยตนเองร่างกายเหมือนกับรถจิตใจของคนเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันคนละอันกันแต่รถจะไปได้ต้องอาศัยคนคนเป็นผู้ดูแลรถอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราดูแลร่างกายร่างกายในเป็นลูกน้องของของใจแต่เมื่อร่างกายแต่ ตายท้หนิเมื่อเราเกิดคือมาแล้วก็แก่แก่แก่เหมือนกับเราใช้รถอย่างนั้นล่ะใช้ปีหนึ่ง2ปี3ปีสปีหปีสิปีรถกันนั้นก็สุดทรมไปเรื่อยเรืจนสูงลูกสูบมันติดสายพานมันขาดพอที่จะเปลี่ยนตัวไหนได้ก็เปลี่ยนแต่นี้พอเปลี่ยนไม่ได้ตัวเปลี่ยนไม่ได้มันก็มีในรถนะแต่ว่าเปลี่ยนรถนี่เปลี่ยนง่ายกว่าเปลี่ยนง่ายกว่าสุขภาพของมนุษย์นะสุขภาพของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนได้เป็นบางตัวนะแต่บางอันเปลี่ยนไม่ได้อย่างสมองเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อย่างั้นล่ะ อย่างหัวใจก็ยังพอเปลี่ยนได้อยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้นานเปลี่ยนไตนี่นก็พอเปลี่ยนได้เปลี่ยนปอดเปลี่ยนตับทุกวันเขาจะเปลี่ยนไปหมดเป็นอะไรเมื่อนั้นแตะแต่ถึงยังไงก็เปลี่ยนไปขนาดไหนก็แตมันก็แก่ไปเรื่อยๆพวนที่สุดก็หมดอายุของมันพอหมดอายุของมันก็นเหมือนกับรถที่หมดสภาพหมดอายุเท่านะั้นพอหมดแล้วทีนี้ทำยังไงมันเป็นเศษเหล็กกไงคนขับรถก็ต้องหนีออกจากรถแหละแต่พอมันรถมันเก่าแล้วแต่เมื่อหนีออกจากรถรถคันนั้นก็เป็นเศษเหล็ก นี่ร่างกายของเรากับอย่างนั้นนะพอคนตายไปเนี่ยมันเป็นเศษมันเป็นเศษเหล็กแต่ทําไมคนบางคนยังไม่ถึงแก่มันมันเสียไปอันั้นมันคล้ายๆก่อนลูกสุกมันติดบางกันเถอะเครื่องมันพังมันแก้ไขไม่ได้ต้องพาเครื่องใหม่ต้องทิ้งยังเหลือแต่ซากของมันเนี่ยนี่แหละเหมือนกันนะร่างกายของคนเรากับไปลักษณะอย่างนั้นไดะทีนี้ใจออกจากร่างที่พระพุทธเจ้าทรรมะเนี่ยตอนใจออกจากร่างนี่แหละ้างพระผู้ใดสนใจ สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจบุญกุศลจะจะเข้าสู่จิตใจนั้นบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณ น, นั้นคือใจดวงนั้นจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ได้เพราะใจของเขามีบุญแต่ถ้าว่าคนที่มีบาปคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษเกิดมาแล้วก็มีแต่ใช้รถพาไปกินเหล้าเมายาไปสเเัมมาเลเทเมาเนี่เล่นการพรองพรนั้นไม่ได้สนใจเรื่องบุญกุศลนะ่ะ พอร่างกายมันหมดสภาพแล้วนี้พอออกจากร่างได้นี้ไม่ได้สั่งสมไม่ได้คิดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลคนนั้นเหมือนกับคนไม่มีเงินคนออกจากรถที่ไม่มีเงินขี่รถคันนั้นไปทั้งวันทั้งปีทั้งชาติไม่ได้คิดสสแสวงหาเงินเลยมิแต่เที่ยว ม, มีแต่สนุกสนานอย่างเดียวแล้วคิดดูที่เมื่อเขาตายไปแล้วเนะ่ยเมื่อรถคันนั้นพังล่ะเขาจะหาเงินที่ไหนมาซื้อรถคันใหม่เพราะเขาไม่ได้สนใจเรื่องหาเงิน นี้ก็เหมือนกัรเรามาเกิดมาพบนิชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้มาสั่งสมบุญกุศลพรา ะ, ะนั้นขอให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ตั้งอกตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกใจนั่นแหละคือเป็นคลังของบาปใจเป็นคลังของบุญพระพุทธเจ้าท่านว่าจุตูป ป, ปาตายานการจติของสรรพสัตว์ทั้งหลายจุตูปปาตายานคือ คนเกิดมาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่หร้อจะไปเกิดที่ไหนจะไปต่อการที่มาเกิดที่นี่เขามีบุญอะไรเขาจะมาเกิดที่นี่ยังนายกของเราเนี่ยที่เป็นหัวหน้านมคณะของเราท่านก็คงเคยสร้างบุญสร้างกุศลมา ก, ก่อนเพราะเหตุใดท่านจึงได้เป็นหัวหน้าแล้วก็บอกกล่าวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็เป็นที่ยอมรับท่านสร้างมาทางบริวารสมบัติยบริวารสมบัติคล้ายๆกันว่า เวลาท่านจะจะสร้างคุณงามความดีอะไรท่านก็บอกว่าเออไปช่วยกันเนอทําบุญทําทานเนอไปช่วยสาธารณประโยชน์เนอพากันไปฟังเทศฟังธรรมเนอะพาพากันไปกราบพระพุทธเจ้าเนอพระหรหัสสาวกเนอะจะจะเป็นผู้ประกาศเป็นผู้นาอันนี้แปลว่าเป็นผู้สร้างบา ร, รมีทางบริวารสมบัตินะแต่ถ้าหาว่าท่านมีแต่บอกหมู่ไปทําบุญทําทานแต่ตัวท่านไม่ทําท่านก็จนนะท่านมีแต่บริวารแต่ตัวท่านจน แต่ถ้าว่าท่านทําบุญด้วยทําบุญกับพระสงฆ์สาวกด้วยทําบุญทําทานด้วยแล้วก็บอกบริวารด้วยอันนั้นทำแบบมีทั้งสมบัติตนมีทั้งสมบัติบริวารสมบัติเนี่แหละคนเราจะไม่เหมือนกันนะการสั่งสมบารมีไม่เหมือนกันท่านเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงว่าให้สั่งสมบุญนะบุญกุศลจะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราตายแล้วไม่สูญคนที่มีบริวารมากก็คือคน ได้บอกกล่าวเล่าสิบจะไปทำบุญทำทานจะไปทำอะไรสิ่งที่เป็นคุณงามความดีบอกกล่าวหมู่พวกเพื่อนเขาเกิดมาในภพหน้าชาติหน้าเขาจะเป็นผู้มีบริวารสมบัตนะิแต่ถ้าหากว่าพวกเรามีแต่สร้างบุญสร้างกุศลคนเดียวเราก็ไม่มีบริวารแต่เราล่ารวยขึ้นมาแต่ว่าบุญกุศลมันหมดเป็นนะดมันหมดเป็นเหมือนกั น, เ ห, น, กนเหมือนกับเราทาไร่ทนานานะ เอาข้าวมาใส่ยุง่งใส่เล้าข้าวของเรามาใส่สางข้าวของเราแต่เรากินไปกินไปทุกปีทุกปีเราไม่สร้างต่อมันก็หมดบุญกุศลที่พวกเรามาพบนี้ชาตินี้เราเป็นคนร่ํารวยก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้สร้างต่อเราไม่ได้สนใจเราไม่เชื่อในการสร้างบุญสร้างกุศลเรากินมาชาตินี้ต่อไปชาตินั้าก็หมดเหมือนกันนะบุญกุศลนี่หมดนะเหมือนกับคนเนี่ยถ้าว่าไปทําโทษไปฆ่าเขาไปโป้นเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกในตาราง บาปมันก็หมดไปเหมือนกันนะพอเข้าไปแล้วก็ใช้ปีนั้นบ้างปีน่งบ้างตัดสินโทษแล้วก็จากนั้นก็พ้นออกจากคุกพ้นออกจากโทษเนี่ยบุญกุศลก็หมดไปอีกเหมือนเหมือนกันเลยถ้าเรามีแต่ทบุญทาบุญแล้วเราไม่ไม่ทำต่อบุญกุศลก็หมดเหมือนกันอย่างมีพราหมณ์คนหนึ่งในครั้งพระเจ้านะมีพราหมณ์คนนี้เขารวยมากในกรุงสวัสถี เขาเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ทั้งแปดิโกดโกดหนึ่งกับสิบล้านนะไม่ใช่น้อยนะสมัยนั้นเหมือกันเนะ่ะะต่นี้นพอเขารวยรวยมากพอจากนั้นเขาไม่มีไม่มีลกูกไม่มีใครๆว่ะคนขี้ตันีทีเนียวว่าใครจะมาเป็นญาติพี่น้องไล่หนีหมดว่ะกลัวเขาจะมาแย่งชิงทรัพย์สมบัติของตัวเองไม่มีใครเหมือนกันเะไม่มีใครที่จะมาตัดญาติขาดมิดไปหมดเลยเหมือนกันเะเขาก็รวยนะแต่ว่าโอ้ความขี้ตันีทีเนี้ยวเขาเนะ่ย ที่ตะีทีเหนียวมากเสื้อผ้าเนี่ยใครเขาบอกขายไม่ออกเล้วจึงเขาเอ้ะอามาใช่ไมมให้เราใช้รองเท้าเนี่ยก็รองเท้าขาดขาดล่มก็ล่มขาดขาดยานพานะชย์ไปก็พอไปได้นะเอา้าเอาแล้วจะเป็นหรูหราอะไรแต่ว่าคนรวยแต่ว่าใช้ของไม่คุ้มค่าใช้ของประหยัดมากแต่ต่อมาเขาก็ตายเหมือนกันนะพอต่อมาเขาก็ตายพอตายไปแล้วทีพระเจ้าปเสนที่กุศลประกาศทีนี่เอ้ย hey. เศรษฐีคนนี้ตายแล้วใครเป็นทายาทประกาศทั้งเจวันไม่มีใครเพราะว่าเศรษฐีคนเนี้ยเศรษฐีคิดตีคนเนี้ยใครจะเป็นทายาทเขาไล่ออกจากวงญาติหมดว่างั้นเถะไม่มีใครเป็นทายาทจะนับเนื่องเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ให้ไม่ให้มีเพราะว่าเศรษฐีเขาตัด เ, เป็นคนคนเดียวทีออนี้ใครใครสมัยนะั้นเขาก็ไม่มีไม่กล้าที่จะเป็นทายาทพอแสดงเข้ามาแล้วเขาจะซักไซไลเลียง เอาไปเอามามัวเมียจะไปยกเป็นทายาทไม่ได้เดี๋ยวเขาจะพระเจ้าประเสียนคงจะตัดคอทิ้งไว้กันเถอะไม่มีใครแสดงความจำลงจากนั้นพระเจ้าประเสียนประกาศอยู่เจวันเพราะเจ็ดวันเสร็จแล้วไม่มีใครเป็นทายาทพระเจ้าประเสียนก็เลยส่งเกวียนนะห้าร้อยเล่มไปขนเอาสมบัติของเศรษฐีนะเอามาไว้ในท้องพระคลังพระคลังหลวงเหมนั้นเถอะมาเก็บเป็นท้องพระคลังหลวงพอเก็บมาเจดวันพอเจ็วันเสร็จแล้วตอนบ่าย ก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารไปกราบพระพุทธองค์ถามเออมหาปุพิตไม่เห็นนานตั้งหลายวันมหาบุพิตไปไหนวันนี้ก็มาเวลาบ่ายทําไมจึงมาเวลานี้พระเจ้าประเสียนว่าพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันยุ่งยากกับไปขนขนทรัพย์ของเศรษฐีเศรษฐีเขาตายแล้วไปตายไปประกาศหาญาติเขาไม่มีใครเป็นทายาทเขา แมหมอมฉันก็เลยได้เอาเกวียนไปบรรทุกสมบัติเขาก็เลยได้ดูแลสมบัติที่ขนมาสู่ท้องพระแข่งก็เสร็จเรียบร้อยไว้แล้ววันนี้หมอมฉันเสร็จธุระแล้วจะได้มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าเศรษฐีคนนี้นะเขารวยมานี่ย่ต่เป็นชาติที่เจ็ดเขารวยมาอย่างนี้แหละแต่บัตรนี้หมดแล้วเขาหมดบุญแล้วในชาตินี้เขาหมดบุญแล้วออกจากชาตินี้ไปก็จุดแท้จะจะไปไหนแล้ว่า ไม่เป็นเศรษฐีแหละเขารวยเขารวยติดกันถึงเจ็ดชาติพระเจ้าปเสนก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเขารวยเจ็ดชาตินั้นด้วยเหตุอนไรพระเจ้าข่าเขาจึงรวยอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยหนึ่งก่อนหน้านี้นะเขาเกิดเป็นโปโรหิตอาจารย์คือสมัยทุกวันนี้คงจะเป็นองค์ขมนตรีในเรงงา น, นดะผู้เป็นอาจารย์ของพระราชาเป็นผู้แนะนํากฎระเบียบเป็นผู้ดูแลประเทศชาติ เป็นผู้ให้คําแนะนําพระเจ้าเป็นดินม้างกันเ่ะในยุคสมัยนั้นแต่ในพอทั้งจะเข้าไปในวงังท่านเห็นพระประเจกพระไเจ้ามาบินธบาตมาบินธบาตทว่าเห็นพระประเจกเดินไม่มีใครใส่บาตรท่านก็ประกาศขึ้นมาเอ้ยใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรพระประเจกบินธบาตแล้วอพวกเราใส่บาตรเน้อพี่น้องชาวตลาดเนะ้อใส่บาตรพระประเจกท่านเดินประกาศนําหน้าไปท่านนด้คนทั้งหลายโอ้องค์ขมูลตรี โปรโลหิตไตจารเนี่ยท่านประกาศให้คนใส่บาตคนก็เลยมาใส่บาตรพระประเจกแต่ส่วนโปรโลหิตไตจารนั้นไม่ได้ใส่ไม่ได้ทําบุญมางั้นใดเพราะประกาศเสร็จแล้วก็เข้าไปในในเวียงวางไปทํางานแต่ในใจในคิดว่าสัมมณะเนี่ยกินแล้วไปตีพุงอยู่ในปาน่านะั่นนะไม่ได้ทําช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองอะไรไปกินแล้วไปอยู่นอนหมกอยู่ในปาน่านะั่นนะไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแต่ตามไม่จริงเขาไม่คิดว่า พ่อพระเจดผู้ใเจ้าเนะี่ยท่านไปบำเพ็ญอยู่ในป่าสร้างบุญสร้างกุศลมีแต่เมตตาต่อสรรพสัตว์จนท่านพ้นทุกข์ในวัตฏสงสารเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วท่านไปอยู่ในป่าผู้คนทั้งหลายไปกับท่านกระแผ่เมตตาบุญกุศลมากมายมหาศาลเหมือนกันเถอะที่ผู้ได้ทําบุญกับพระประเจกผู้ใเจ้ า, เ, จาเขาคิดจะนั้นเขาก็เข้ า, ขาไปทํางานในวังต่อไปนั่นแหละอานิสงส์แห่งการประกาศของเขานั่นแหละ พอเกิดมาชาติออกจากชาตินั้นเขาไปสู่สวรรค์นะออกจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์พอเกิมนู้ปภานิสง์แห่งการประกาศให้คนทําบุญเท่านั้นแหละเขาเป็นคนรวยมากเป็นเศรษฐีอลไรปมาณนะั้นเกิดมาแล้วเกิดได้จากูลเศรษฐีรวยมากแต่เขาใช้ไม่ได้กินไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ทําเองเขาไม่ได้ทําบุญเองมีแต่ประกาศให้คนอื่นทําบุญ แต่นี้กเขาก็รวยขึ้นมาแต่เขาจะกินเงินบาทหนึ่งสอบาทกรกว่าจะมันจะขาดหัวร้อยหัวพันหัวหมื่นหัวแสนหัวล้านมันก็เนีไม่กล้ากินไม่กล้าใช้เงินเก็บไว้ยตลอดเก็บไว้เป็นความสุขของเขาถ้าเอามาใช้น่เปนเป็นความทุกข์ของเขาอย่างมากอย่างนั้นถ้าเขาเก็บแล้วเขาจะบายใจมีความสุขในใจอย่างนั้นนี่แต่เก็บอย่างเดียวแต่เขาไม่ใช้นี่แหละเศรษฐีคนนั้นไม่กล้าใช้เงินกินกับกินเนี่ยขั้นบอกว่ากินน้ำส้มผักกลุ่มนะ เนื้อผักกุ้มเอาไปขายเอาน้ำส้มมันมาต้มใสนะ่ข้าวหักเน่ยข้าวหักลรามากินกินข้าวหักกับน้ำส้มผักกุ้มอาหารเศรษฐีคนฮั่นว่างนั้นเหรนี่แหละเขาไม่กล้ากินทรัพย์สมบัติของเขาเพราะว่ากลัวมันจะหมดเนี่ยเพราะเหตุอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราะเศรษฐีไม่ได้ทําเองไม่กล้ากินสมบัติมีแต่ได้สมบัติมาไม่กล้าใช้ไม่กล้ากินแต่เขาก็เป็นรวยอยู่ทั้งเจชาติแต่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้ว ออกจากชาตินี้ก็แปลว่าเป็นผู้หมดบุญละหมดละอันยโสงที่ได้ทํากับพระประเจ้าพุทธเจ้านั้นนี่แหละการสร้างบุญสร้างกุศลก็หมดเป็นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราข้ศราชกา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทุกๆกท่านนะที่ได้ยินหลวงพ่อพูดเนี่ยการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าจะทําบุญอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวนะรักษาศีลก็ใช่ภาวนาก็ใช่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็ใช่ทําสาธารณประโยชน์ ช่วยลงพยาบาลช่วยลงล่ําโรงเรียนช่วยถนนโหนทางให้คนเดินล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเคารพ บ, บิดามารดาเป็นคนอ่อนน้อมถอมตนล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นเพราะนั้นให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีอย่าเป็นคนเกเรอย่าเป็นคนที่ทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองหนักใจกับเราให้เป็นคนดีของชุมชนสังคมไปนะักสถานที่ใดคิด อันไหนเป็นความดีข้าพเจ้าจะทําสิ่งนั้นสิ่งไหนที่มันชั่วช้าเสียหายข้าพเจ้าจะไม่ทําในใจของเราคิดอย่างนั้นนะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะอย่างที่หลวงพ่อพูดเฮ hey, สีนข้อที่5สุรา ม, รมีระยะมัชฉับประมาถ้าเป็นไปได้เลยทิ้งไว้ที่นี่ก็ได้นะข้าพเจ้าจะตั้งสัด จ, จา่าอธิษฐานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราทิ้งไว้ที่วัดหลวงพ่ออินเนบูชาพระพุทธปฏิมาพระอุดร ม, มงคล น, นะพระพุทธรูปของหลวงพ่อหนึ่ง พระพุทธอุดมมงคลนะเพื่อใครสิ่งที่มันไม่ดีไว้ที่นี่แหละล้วนแล้วจะเป็นมงคลสําหรับเราแหละท่านนี่จากนั้นไปเราก็จะเป็นคนดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราอยา่าทําสุราเนี่ยทําให้คนเสียหายได้นะเพราะนั้นขอให้ที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังทั้งหมดเนี่ยอันดับแรกก็คือทานะคือการเสียสละแล้วก็อังคารวัตธรรมธรรมของคารวัตสี่อย่างสัจจะธรรมะขันติจาระนะให้อยู่กับพวกเรา จากนั้นก็มีการทําทานอมิจทานอภัยทานพิทยาทานธรรมทานคือทานกตจากนั้นก็ศีลห้าใจเขามาใส่แก่เราอย่าข่าคิดข่ากันอย่าคิดขโมยคนอื่นเขาอย่าไปคิดลาลาบลารวงสามีภรรยาคนอื่นเขาให้เคารพสิทธิ์เช่งกันละกันอย่าโกหกซึ่งกันละกันอย่าโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาอย่าไปดื่มสุราเนี่ยเลุงพ่อได้พูดจากนั้นก็ลุงพ่อได้ ยกเป็นนิทานขึ้นมาให้สาธิตเท็จฟังว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างที่พราหม์คนนั้นแหะในครั้งผู้ใหญ่เจ้าในครั้งพุทธกาลหลวงพ่อยกพระไตรปิฎกหน้ามาเปรียบเทียบให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานฟังนะไม่ใช่นิทานปลาลำปลานะมาในพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนี่ยพรามคนนี้นะ่ะเพราะนั้นขอให้พวกคณะสัตยาสาธุชนทุกทท่านนะ ที่มาวัดวาศาสานาหลวงพ่อได้แนะแนวหรือเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาก็ว่าเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราทุกท่านประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกประการเธิด